ดีแล้วชัยยันพูดเสียงหนักๆในลำคอออกมาคำเดียวแล้วก็ไม่ได้เอ่ยคำใดถึงอีกวางหน้าเฉยๆส่วนเชษฐาจ้องดวงตาคงกริบจับนิ่งไปยังน้องสาวคนสวยเหมือนจะค้นหาแต่น้องสาวไม่ยอมสบตาด้วยรพินรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องอย่างไรพิกลแต่แล้วก็เบาใจขึ้นเล็กน้อยเมื่ออดีตทูตทหารบกเชื้อพระวงค์ผู้เป็นนายจ้างไม่ได้ปีป่าคาใดทั้งสิน้น เมื่อกินอาหารเสร็จเช่าก็หันมาทางระพินโตถากับพวกของเขายังไม่รู้เลยว่าคุณยิงเสือตัวนั้นตายแล้วพ่านใหญ่เรียกกระเลียงเท้าและบิวานที่มาด้วยทั้งหมดซึ่งแยกไปนั่งกินอาหารและปรึกษาหารือกันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาล้อมวงแล้วประกาศบอกความจริงให้รู้ทันทีที่ได้ทราบข่าวว่าเสือตัวนั้นถูกยิงตายแล้วกะเลยงห้วยแม่เลงทั้งหมดก็ตาลุก คลางฮือออกมาอื้ออึงด้วยความปรลาดใจและคนยินดีเหลือที่จะกล่าวรลพินเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับเสือตนนั้นให้พวกนั้นทุกคน ท, คนทราบคร่าวๆนายพาพวกเราไปที่ซากเสือกับศพของไอ้พวกนั้นเถอะโตะตะขอร้องอย่างกระตือรือร้นแล้วพินหันมาบอกความประสงค์ ข, ของหัวหน้ากะเหลียงให้เชษฐาทราบราชนิกุลหนุ่มพยักหน้าดีเหมือนกันแลพิน อย่างน้อยที่สุดพวกเขาจะได้เห็นชัดไปกับตาว่าเสือตัวนั้นตายแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาคงต้องการตามศพพวกเขาที่ถูกมันฆ่าไปด้วยพวกเราไปกันทั้งหมดนี่แหละอึดใจใหญ่หลังจากนั้นทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปยังตําแหน่งที่ซากเสือแม่ลูกอ่อนและศพของกะเลียงข้อร้รายสามคนที่นอนตายอยู่ใกล้ๆ ก, ก, กันยังโขดหินตะเคียนคู่บนสันเขา พลานใหญ่คืนปืนแก๊ปที่เก็บไว้ได้ทั้งสองกระ บ, บอกไปให้แก่โตะถะผู้เป็นหัวหน้ากระเรียงทั้งหลายมันเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดส่งไรเฟิลจุดสแดแม็กนัมคู่มือของเขามาให้ส่วนแง่ทรา ย, ายก็คืนจุดสีริกบี้แฟดตของดารินไปให้เจ้าของตามเดิมละพินกับดารินถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกต่างตรวจดูความเรียบร้อยของปืนประจามือและบรรจุลูกพร้อมโชคดีเหลือเกินครับ ที่ปืนและสัมภระส่วนมากของเราได้คืนเกือบครบไม่งั้นคงคลักแย่ผมนึกว่าเราจะต้องเดินมือเปล่ากันจนกว่าจะพบกับขบวนเกวียนใหญ่เสีอีกแล้วพีนพึนมพำออกมาเบาๆสูดลรรมหายใจอย่างเช่มชื่นขึ้นเมื่ออาวุธขึ้นมาอยู่ในมือเขาอีกครั้งดารินเองก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะสังเกตเห็นหล่อนยิ้มออกมาอย่างแจม่มใสดุ470ขึ้นลงอยู่ในอุ้ง ม, มือทั้งสองด้วยความมั่นใจอบอุ่นขึ้น ตอนที่รู้สึกตัวเป็นครั้งแรกผมไม่ได้คิดถึงเข้าของอะไรทั้งสิ้นเชษฐาเอ่ยขึ้นต่ำๆคิดภาวนาแต่เพียงขอให้ชีวิตพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมันจะสูญหายไปก็ช่างหัวมันแต่พอเดินย้อนกลับมาถึงที่ตั้งแคมป์พบปืนและเข้าของส่วนมากเรีราดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็มีกาลังใจขึ้นอีกเยอะของอื่นๆดูเหมือนจะอยู่ครบถ้วนยกเว้นผ้าใบาปูนอนและพวกเขาสารเท่านั้น ผ้าใบคงจะลอยหายไปตามกระแสน้ำส่วนข้าวสารเปียกน้ำเสียหมดทั้งหมดออกเดินทางเป็นขบวนใหญ่ภายใต้การนำของรรพินตัดลงจากเนินเขาบ่ายหน้าไปยังจุดหมายอันเป็นตำแหน่งเสือตัวนั้นถูกยิงตายซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปมากนักพรานใหญ่ชี้ให้คณะนายจ้างของเขาและโตถ๊ถะดูร่องรอยหลักฐานที่เสือร่างเอากะเรียงข้อร้ายของมันไปให้เห็นทุกระยะแต่เขายังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนักเกี่ยวกับเสือร้ายตัวนั้น เท่าเท่ากับที่ดารินก็ยังไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องทั้งหลายที่หลอนเผชิญร่วมกับประพินให้พี่ชายและเพื่อนได้ทราบโดยกระจางนอกจากเชษฐาซึ่งเป็นคนละเอียดรอบครอบที่สุดเท่านั้นเปลย์ออกมาเป็นข้อสงสัยอย่างมีเหตุผลว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เสือตัวเดียวกันและในในระยะเวลาได้เรียกกันสามารถจะลากคนไปได้ถึงสมศพเอาไว้ให้ถึงซ่าของมันและศพคนฆ่าร้ายทั้ง3านั้นสก่อนเถิดครับ คุณชายจะพบกับความประหลาดใจที่สุดจอมพลานบอกเรียบเรียบแปลว่ามันลากเอาสามศพไปกองเรียงไว้ใกล้ๆกันเลยเหรือชายยันลืมตาโตถามมาอย่างประหลาดใจก่อนรับพินจะตอบเช่นไรดารินผู้เดินอยู่กลางกลุ่มของชุดที่นำอยู่เบื้องหน้าก็หัวเราะแปลงๆในลำคอบอกว่าเป็นความจริงชายยานันไปเห็นภาพเหตุการณ์นั้นสกก่อนเถอะแล้วให้มีเวลาสักนิดฉันเล่าให้ฟังเองว่า เรื่องมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนรับรองว่านักเดินป่าทั้งหลายคงไม่เคยพบเห็นหรือเชื่อมาได้ก่อนเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ฉันกับพรานใหญ่เห็นกับชัดกับตาทั้งสองข้างเชิฐากับชายยันเต็มไปด้วยความพิศวงกระหายจะซักถามอะไรมากกว่านั้นแต่ไม่มีโอกาสเพราะการเดินทางเต็มไปด้วยความรีบรุอและพีนนาหน้าเลวไปอย่างรวดเร็วแคลวคล่องจาทิศทางได้ขึ้นใจโดยไม่มีการครําให้เสียเวลาแม้แต่นิดเดียว ดารินเองก็ยังอดประหลาดใจไม่ได้เพราะทาั้งที่หล่อนเองก็เดินผ่านมากับเขาเมื่อก่อนนี้เองแต่มาบัดนี้ไม่สามารถจะจําทางเก่าได้เสียแล้วราวครึ่งชั่วโมงต่อมาทุกคนก็หยุดชะงักตึงตัวเองอยู่กับที่เมื่อมาถึงซอกเขาตําแหน่งตะเคียนคู่อันมีชะ ง, งอนหินใหญ่เปรียบเหมือนทวารประตูผาสําหรับผ่านเข้าออกในเวลาในระหว่างไหล่เขายกเว้นรพินกับดาริน นอกนั้นพากันเปล่งเสียงอุทานออกมาแล้วก็พลูกันเข้าไปยังภาพที่มองเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมของมันโดยไม่ผิดเพี้ยนนับแต่พรานใหญ่และหญิงสาวผละจากมาในตอนเช้าของวันนี้ศพกะเหลี่ยงอันอยู่ในสภาพสยดสยองชวนสงเวททั้งสามศพและซากนางพยากร้ายตัวนั้นญาติมิตรของผู้ตายทั้งสที่ตามมาพลูกันเข้าไปที่ศพพร้อมเสียงอื้ออึง มีเสียงคล่ำครวญแสดงความเวทนาและสะบท飒แฉ่งเสือร้ายอย่างโกรธแค้นชุลมุนกันอยู่ที่ซากเสือซากคนนั้นแน่นขนาดไปหมดแงซ า, ายชา ย, ยานร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยส่วนดารินสุดตัวลงนั่งพักบนโขดหินโดยมีแงซ า, ายยืนเป็นองค์ักษ์อยู่ใกล้ๆหล่อนไม่เจ็บแข็งพอที่จะหวนกลับไปดูศพกระเลี่ยงทั้งสามนั้นได้อีกพรานใหญ่ผู้โต้อตอบกับโต้ถาและพวกกะเลียงทั้งหลายที่รุมสอบซักถามเขา ซึ่งเชษฐากับชัยยานไม่สามารถจะฟังรู้เรื่องอยู่พักใหญ่เกิดทำหน้าที่เป็นล่ามแปลให้คณะนายจ้างฟังพลานใหญ่เล่าให้พวกนั้นฟังว่าเขากับนายผู้หญิงเดินมาถึงบริเวณแถบนี้ตอนโพระเพเกิดอธิบายแบบสรุปได้ยินเสียงกะเลี่ยงตัดไม้ดังแววมาตามลมตั้งใจจะเดินเข้าไปหาเพื่อขออาหารและที่พักพอดีผ่านตะเคียนคู่นี้ลูกเสือกล้องสามตัวโผลออกมาจากถ้า นายหญิงไปจับมันเล่นเขาก็ไล่ให้นายหญิงขึ้นไปซ่อนอยู่บนตะเคียนต้นนั้นเขาฆ่าลูกเสือตายหมดแล้วขึ้นต้นไม้ตามขึ้นไปด้วยครู่ใหญ่เสือแม่ลูกอ่อนกลับมาเห็นลูกถูกฆ่าตายหมดก็กระโจนเข้าป่าหายไปพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ค่าคนตัดไม้มาคนหนึ่งจนครบสาคนจังหวะที่มันคาบศพที่สามมาเขาจึงมีโอกาสได้ยิงเขายิงในขณะที่มันแงนขึ้นมาเห็นแล้วกระโจนขึ้นมาเล่นงาน ชายยานอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในรำคอส่วนเชษฐาอึง้งเดินเข้าไปพิจารณาดูซากหนังเสือตัวนั้นอย่างใกล้ชิดและแหงหน้าขึ้นมองไปยังต้นตะเคียนพอดีกับที่ดารินตรงเข้ามาสมทบทำหน้าที่อธิบายถึงเหตุการณ์โดยละเอียดให้พี่ชายทราบเว้นไว้แต่ไม่ได้เล่าว่าสายตาของหล่อนเห็นสิ่งผิดวิกลอันน่าขนลุกเช่นไรบ้างเท่านั้นทาไมระพินไม่ยิงทันทีในขณะที่มันโผล่มาที่ลูกๆของมัน หรื อ, อยังน้อยที่สุดก็ขนาดที่มันล่าออกอดศพแรกมาเชิดถาถามน้องสาวบนคาคบต้นตะเคียนนั่นเราเห็นเป้าของมันไม่ถนัดเลยค่ะและพี่ใหญ่ต้องไม่ลืมว่าละพินมีเพียงปืนสั้นจุดสมห้าเจ็ดของน้อยกระบอกเดียวเท่านั้นมันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากยิ่งสำหรับเขาในขณะนั้นเพราะถ้ายิงไม่ถูกจะยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกจังหวะที่เขายิงเป็นจังหวะที่มันชาร์จกระโจนขึ้นมา แต่นั่นหลังจากที่มันล่างเอาศพที่สามมาแล้วบุญที่สุดแล้วที่รพินกำจัดมาลงได้ ท, ทั้งทั้งที่มีปืนสั้นเพียงกระบอกเดียวและด้วยกระสุนนัดเดียวมือร้ายจริงๆหมอนี่เกิดมาเพื่อจะเป็นพรานแท้ๆชายยันเอ่ยมาด้วยเสียงต่ำๆบุยปากให้ดูรอยกระสุนที่เจาะเข้ากลางแสกหน้าเหนือสันจมูกเล็กน้อยแล้วหันมาทางดารินเรื่องของเรื่อง มาจากความไม่ประสีภาษาของเราเองนั่นแหละที่ไปจับลูกของมันเล่นพลอยทำให้เกระลียงตัดไม้ตายไปถึงสามคนสีหน้าของหญิงสาวสลรดลงพูดเสียงเครือโทษก็ฉันไม่รู้นี่คิดไปไมิถึงลูกของมันกำลังน่ารักน่าเล่นออกขณะนั้นรัพินเดินดุมๆพรจาจากพวกกระเลียงตรงเข้ามาพวกนั้นว่ายังไงบ้างหัวหน้าคณะเดินทางถามสีหน้ากังวล เขากำลังจะช่วยกันขุดหลุมฝงฝังศพไว้ที่นี่ครับแล้วก็จะเอาเสือตัวนี้กลับไปหมู่บ้านให้พวกเขาเห็นด้วยผมหมายถึงว่าพวกนั้นมีท่าทีอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าดารินไปจับลูกเสือเข้าจนทําให้คุณต้องฆ่าลูกของมันทิ้งเสียแล้วคอยดักยิงและจากผลอันนั้นทําให้มันอาฆาตไปคว้าเาพวกเขามาเสียสามศพทั้งๆที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุและไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนพรานใหญ่หัวเราะเบาๆโปรดอย่า ก, กังวลเลยครับ พวกนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากมายถึงเพียงนั้นหรอกเขารู้อยู่ดีแล้วว่าเสือมันเป็นศัตรูของพวกเขามาแต่ไหนแต่ไรเมื่อมันฆ่าพวกเขาและมันถูกยิงตายแล้วเช่นนี้เขาก็พอใจที่สุดแล้วว่าการปกติแล้วพวกกระเหลี่ยงเห็นว่าการตายแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของพวกเขาเสี่ยงกับความตายอยู่ตลอดเวลาพวกนี้เกิดง่ายตายง่ายเมื่อพวกเขาคนใดมีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิตก็ถือว่าฟ้ากาหนดอายุมาเพียงแค่นั้น เขาไม่ป้ายความผิดไปให้ใครหรอกครับและว่าอันที่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของคุณหญิงด้วยตอนที่เสือมันย่องไปพวกเขาควรจะรู้ตัวแล้วแต่กลับเคาะร้ายเองที่ปล่อยให้มันฆ่าเสียถึงสามคนช่วยไม่ได้จริงๆเชษฐาถอนใจออกมาอย่างโล่งอกถ้างั้นก็ค่อยโล่งใจไปหน่อยผมก็กลัวไปว่าพวกนี้จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราแต่สังเกตดูพวกเขานับถือศรัทธาคุณมาก ตอนที่เกิดไปพบกับหมู่บ้านกระเรียงข้าวและรู้ว่าพวกเขารู้จักคุ้นเคยกับคุณดีทำให้ผมโล่งใจเป็นกองเกิดผู้ยืนอยู่ใกล้ๆก็หัวเราะสอดมาว่าเจ้านายไม่ต้องวิตกหรอกครับจากหนองน้ำแห้งจนกระทั่งจรดหลมช้างถ้าพบคนไม่ว่าจะเป็นพวกไหนเอ่ยชื่อถึงพรานใหญ่ระพินเจ้านายจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีพรานใหญ่เคยช่วยพวกนี้ไวมาก ดาลินช้ำเลืองหางตามองดูระพินแล้วสะกิดแขนเกิดขัดคอมาแหมช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกพี่ใหญ่เชีมนะรู้มานานแ ล, แล้วว่าคนที่ชื่อระพินภัยวันเป็นเจ้าพ่อของป่าทั้งหมดในแถบนี้ไม่งั้นก็ไม่มีไม่เสียเงินจ้างมาหรอกพ่านพื้นเมืองอ้าป่ากวาระแห่แห่เชิถามองดูซากเสือแล้วครงศีรษะช้าช้าพึมพำออกมาตอนไอ้กุศ ก็คิดว่าเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมันเหลือร้ายแล้วอีตัวนี้ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปกว่าจิตใจของมันพยาบาทเหลือร้ายเล่นงานคนในเวลาติดต่อกันเสียสามศพนี่ถ้าไม่ถูกยิงตายเสียก่อนมันคงตามฆ่ามนุษย์ทุกคนที่มันพบเห็นแล้วก็เอื้อมมือมาตบไหล่ระพินหัวเราะ อ, อยู่ในราคอมือคุณไว้วางใจได้เสมอนะระพินเกือบจะเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์ทีเดียวที่คุณยิงมันคว่ำในกระสุนนัดเดียวจากปืนสั้นของน้อย มันเป็นคราวบังเอิญที่โชคดีหรอกครับถ้ากระสุนนัดนั้นพลาดเป้าหมายเปิดโอกาสให้มันกระโจนขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองผมกับคุณหญิงก็เห็นจะไม่ได้พบพวกเราอีกแล้วว่าแต่ทีนี้จะเอาอยัางไงกันล่ะพวกเราพบกันพร้อมหน้าแล้วรอดปลอดภัยเรียบร้อยดีทุกคนเสือที่เป็นปัญหาสําคัญของกะเลียงห้วยแม่เรงก็ถูกกาจัดลงไปได้แล้วชายันเอ่ยขึ้นและทุกคนก็ดูเหมือนกําลังคิดถึงปัญหาข้อนี้อยู่ด้วยความร้อนใจกระสับกระส่าย พอเริ่มเป็นห่วงถึงแผนงานข้างหน้าขบวนเกวียนส่วนใหญ่ที่ถูกปล่อยไว้ให้รุดหน้าไปเรื่อยๆซึ่งป่านนี้ไม่ทราบว่าพวกนั้นไปถึงไหนแล้วทั้งหมดมาเสียเวลาหลงป่าพราดพลาดจากการเสียเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30ชั่วโมงบวกกับระยะเวลาที่สูญเสียไปในการตามล่าไม่หิงสากว่าจะสําเร็จอีก3าวันเต็มๆเมื่อรวมกันแล้วก็เกือบร่วมอาทิตย์นับจากแย่จากขบวนเกวียนส่วนใหญ่มาซึ่งคลาดเคลื่อนกําหนดนัดหมายเดิมไปหลายวัน พานใหญ่สีหน้าใช้ความคิดหันไปมองพวกกะเลี่ยงซึ่งบัดนี้กําลังช่วยกันขุดหลุมเตรียมฝังพวกพ้องที่ถูกเสือกัดตายแล้วหันกลับมาอีกครั้งกล่าวขึ้นช้าช้คืนนี้จะยังไรเสียพวกเราทั้งหมดก็ต้องไปอาศัยนอนอยู่ที่หมู่บ้านของโต๊ะทะพรุ่งนี้เช้าถึงจะเริ่มออกเดินทางสกัดพบเกวียนของเราได้ตามแผนเดิมอีกอย่างหนึ่งโต๊ะะขอร้องผมไม่ช่วยปราบเสือที่ห้วยแม่เลงด้วยเขาบอกว่าเสือชุมเหลือเกินเข้ามาอาละวาดกัด กินวัวแทบไม่เว้นแต่ละคืนไม่เป็นอันได้หลับได้นอนต้องคอยเฝ้ากันอยู่ทั้งคืนพวกนี้กําลังเดือดร้อนภัยจากเสืออย่างยิ่งอาวุธของพวกเขาอย่างพิเศษก็คือปืนแกป๊ปซึ่งมันไม่ช่วยอะไรได้มากนักนอกจากยิงไร่หรือยิงให้เจ็บไปผมรับปากกับเขาไว้แล้วว่าระหว่างที่พวกเราไปอาศัยพักนอนในหมู่บ้านของเขาคืนนี้เราจะช่วยยิงเสือให้ผมรับปากกับเขาโดยที่ยังไม่ทราบว่าทางคุณชายจะมีอะไรขัดข้องหรือเปล่า หัวหน้าคณะเดินทางหัวรอบเบาๆโทระพินพวกผมจะมีอะไรขัดข้องกลับยินดีซสีอีกเพราะคืนนี้เราต้องอาศัยหมู่บ้านเขาอยู่แล้วบอกเขาถึกว่าพวกเราจะช่วยยิงเสือให้เองในคืนนี้สำคัญว่าให้มันชุมจริงเท่านั้นเราต้องการผูกมิตรและต้องการน้ําใจจากพวกเขามันก็ไม่ทําให้เสียเวลาอะไรของเราเลยผานใหญ่ตะโกนเรียกโต้ถะเข้ามาและส่งภาษาให้รู้เรื่อง กะเหลียงเท้าในตาเป็นประกายหันไปยกมือไหว้เชษฐาชัยยันและดาดินแก่พูดภาษาไทยลิ้นบ้านป่าได้เล็กน้อยแต่สามารถฟังได้ดูเรื่องดีเราจะยิงมันยังไงออกนั่งซุ้มนั่งห้างหรือชัยยันถามไม่จาเป็นต้องลำบากถึงอย่างนั้นหรอกครับฟังตามที่ต้อถาเล่านี่ก็พอจะสรุปได้ว่าย่านหมู่บ้านของแกเป็นย่านที่ไอ้พวกเสือกาลังขนองและยามใจมันไม่เกรงกลัวปืนแก๊ปเลย และเสือลงว่าเกิดโอหังขนองขึ้นมาแล้วมันก็พากันออกมาเดินสวนสนามให้เห็นชนิดวางตัวเป็นเจ้าทีเดียวต่อถ้าเล่าว่าต่ำเมาะบางทีมันกำแหงถึงขนาดปีนขึ้นมาบนชานเรือนก็ยังมีตกกลางคืนต้องปิดประตูล่นดานกันแน่นหนาะชนิดบ้านใครบ้านมันถ้าแบบนี้เราแยกสายกันออกเดินสองไฟยิ่งทิ้งเสียสักสี่ห้าตัวภายในคืนเดียวมันก็เข็ดลาบไปนานถ้าคิดจะยิงเสือกันจริงจแล้วแล้วก็คืนนี้เป็นได้สนุกแหละครับ แต่ต้องระวังตัวมากหน่อยเพราะเป็นการเดินส่องไฟยิงซึ่งซึ่งหน้าง่ายกว่าการนั่งห้างหรือนั่งซุม้มโอกาสมีน้อยนักที่เราจะได้ยิงเสือในลักษณะนี้น่าชมเล่นเดินยิงกันแบบนั้นเลยหรือชายยานร้องออกมาเสียงต่ำๆบังเกิดอาการสบัด ร, ร้อนสบัดหนาวขึ้นมาอย่างไรพิกลพางหันไปมองหน้าเชษฐาก็ได้ยินหัวหน้าคณะเดินทางบอกมาเรียบๆว่าถ้ามันชุมมากๆ ก็ต้องเอาแบบพระพินว่านั่นแหละเดินสองไฟยิงเหมือนเหมือนยิงเก้งหรือกวางกันเลยเสือที่กลัวคนยิงยากเพราะมันคอยแต่จะหลีกลบระวังตัวแต่เสือที่กําแหงกล้าคนพระยามใจจะเปิดโอกาสให้เรายิงง่ายที่สุดเท่าๆกับที่มันถลกหนังหัวของเราง่ายที่สุดด้วยอดีตนายทหารปืนใหญ่คลาง อ, อ่ อ, อยๆยิ้มออกมาแห้งแรงถ้าไม่มีความมั่นใจในมือหรือสติแล้ว ก็ไม่มีใครบังคับแกให้ออกเดินยิงเสือคืนนี้พูดเป็นบ้าแกจะให้ฉันนอนเฝ้าที่พักคนเดียวงั้นหรือชา ย, ยันบน่นหันไปค้อนเช่ฐถาปรับเปลือกและมองมาทางพรานใหญ่นี่ผู้กองไอ้การจะเดินส่องไฟยิงเสือกันซึ่งหน้าแบบยิงกระต่ายหนะ้าไม่เป็นปัญหาอะไรเลยสาหรับมืออย่างผู้กองทีนี้มือขนาดพวกเราสามคนจะไหวหรือระพินหัวเราะมองดูช ย, ยันอย่างรักสนิท จากการครบหาร่วมชีวิตร่วมสถานการณ์ทำให้เขายัางรู้ถึงอุปนิสัยใจคอแท้จริงของชายยันได้เป็นอย่างดีชายยันเป็นคนมีอารมณ์ขันขี้เล่นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่คนขาดหรือระยะระยอต่อสิ่งใดทั้งสิ้นท่อไหวสิครับถ้าเห็นไม่ไหวผมจะชวนทำไมการเดินยิงเสือในเวลากลางคืนมันก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเสี่ยงน่ากลัวอะไรมากไปกว่าเท่าที่พวกเราทุกคนเคยระจนกันมาแล้วสักนิด ก็รู้มือกันดีอยู่แล้วทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชายยันเชื่ากับดารินหัวเราะชายยันกลืนน้ำลายทำตาเลและพยักหน้าหงึกๆเ อ, เอาเอาข้าวัะเพนผมคงไปไม่ถึงหล่มช้างเพราะถูกเสือมันขบหัวเสียก่อนในคืนนี้เพราะลูกยุคลูกยอของคุณ น, นี่แหละดีเหมือนกันถ้าผ่านการจันหน้ากับเสือที่ห้วยแม่เลิงไปไม่ได้เธอก็ไม่ควรจะไปถึงหล่มช้าง ดาลินบอกมาด้วยน้ำเสียงรำคาญแปลว่าเรานะจะออกไปยิงเสือกับเขาด้วยคือในคืนนี้มันจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้ฉันเลิกกลัวเสือเหมือนเช่นที่กลัวอยู่ในขณะนี้ชอบเป็นนางเอกเสลื่อยนะเสียดายที่ไม่มีพระเอกบ้าอย่ามาทาปากชั่วไปนะตชัยยันแสนงอนประจาปากค้อนคนขี้กระซา้าจนตาควา่า ทำไมน้ำป่ามันถึงไม่พัดหายไปเสียแล้วรู้ลรู้ลอดไปมาเจอหน้ากันอยู่ได้ฉันไม่สบายใจตั้งแต่เห็นหน้าเธอโผล่มาแล้วภาวนาอยู่ตลอดเวลาขออย่าให้เจอกันอีกฟังฟังน้อยพูดอีกฝ่ายหนึ่งยานคางเชื่อถาจุ ป, ปากเบาๆต่างคนต่างรอดตายมาพบหน้ากันยังไม่ทันไรทะเลาะกันอีกแล้วเป็นยังไงสักทีนะไอ้เด็กสองคนนี่รําคาญจริงชัยยันยักไหล ดารินหน้างอและผินกั้นยิ้มพี่ชายผู้อาวุโสที่สุดในคณะเดินทางบนอะไรพึมทำให้ทั้งสองยุติการวิวาทกันลงได้อดีตนายทหารปืนใหญ่หันมาพูดกับพระพิณเป็นงานเป็นการขึ้นมีอะไรที่คุณจะแนะนาเราล่วงหน้าในการเดินยิงเสือซึ่งหน้าในคืนนี้บ้างไหมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากไปกว่าการยิงสัตว์ในเวลากลางคืนชนิดอื่นๆหรอกครับเราจะแบ่งกันออกเป็นสามสาย เดินสองไฟในระแวกใกล้ๆอันเป็นเขตที่เสือเคยเข้ามาป้วนเปี้ยนสายละสองคนเป็นอย่างน้อยโดยอาจมีพวกกระลียงสมทบด้วยตามแต่จะตกลงกับโต๊ะถะอีกทีหนึ่งสองไฟพบตาก็ยิงเริ่มต้นออกสองประมาณสักสองทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วกลับมานอนลุงึ้นก็ออกจากห้วยแม่เริงไปตามเส้นทางของเราโดยอาจออกสายหน่อยก็ได้หลังเที่ยงคืนไปแล้วเรานอนพักกันให้เต็มที่ พอไฟกระทบตามัมนจะพุ่งเข้าสวนแสงไฟไหมตามปกติแล้วสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งเสือจะหยุดชะงักนิ่งอยู่กับที่ทันทีชั่วขณะหนึ่งเมื่อแสงไฟจับสะกดตาไว้และถ้าเบนลำไฟลงกับพื้นใกล้ๆตัวของมันบางทีมันก็เดินตามแต่ที่จะกระโจนเข้าสวนลำไฟในทันทีที่พุ่งไปจับมันนั้นไม่เคยปรากฏยกเว้นแต่ว่าจะถูกยิงเจ็บและระยะยิงสวนหน้าใกล้ๆ ซึ่งก็เป็นการโจรเข้ามาด้วยสัญชาตญาณตกใจมากกว่าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าพบปัจจันหน้าในระยะใกล้การยิงก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดาหากสองพบในระยะใกล้อย่างว่านี่และในลักษณะที่มันหันหน้ามาตรงเราทําไมแน่ใจว่าจะยิงนัดเดียวอยู่ก็ควรใช้ลำไฟฉายล่อให้มันกลับลำตัวหันหน้าไปทางอื่นเสียก่อนแล้วจึงค่อยยิงสําหรับการส่องไฟโดยใช้ศิลปะชนิดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะผมเกิดได้แง่ทราย จะทำหน้าที่ในการส่องไฟให้พวกคุณคอยยิงอย่างเดียวเท่านั้นและจะคอยซ้ำถ้าจำเป็นชายยันถอนใจออกมาอย่างโล่งอกคอยอยังชั่วหน่อยถ้ามีมือส่องไฟแน่ๆเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยส่องไฟให้แบบนี้ทีแรกผมยังนึกไม่ออกว่าจะยิงอีท่าไหนถ้าขืนส่องไฟเองแล้วยิงเองแบบนั้นมันคงคลุกขลักพี่ลึกมือซ้ายไหนจะจับกระบอกไฟฉายไหนจะต้องประคองกระโจมมือของไรเฟิล พอเห็นตาเสือแต่มองไม่เห็นศูนย์หลังขึ้นมาก็ยุ่งเท่านั้นเรื่องมากชัดห่วงนู่นห่วงนี่กลัวนี่ยุ่งไปหมดถ้าปอดนักก็นอนในเรือนกรลียงสิก็แล้วกันดารินพูดเปืย์เปยไม่รู้ละ่ะเธอจะเก่งก็เชิญเก่งไปคนเดียวเธอฉันน่ะยอมรับโดยหน้าชื่นว่าปอดแหกอะมากมากและสำหรับเดินยิงเสือที่ห้วยแม่เดินคืนนี้ฉันขอจองตัวรัพพินเป็นมือไฟฉายไปจาตัวก่อนละ คนเก่งจะฉายเองยิงเองหรือจะให้ใครเป็นมือฝีฉายก็ตามใจอ๋อเชิญเลยตามสบายนักแย่โทรสะกับนักกวนประสาทจับคู่กันได้ก็ดีแล้วนี่ฉันไม่พิสมัยที่เอาตัวไว้หรอกหลงป่าอยู่ด้วยกันร่วมสองวันเบื่อหน้าเต็มทีแล้วหญิงสาวพูดสบัดสบัดมาโดยเร็วทิ้งหางตาผ่านหน้าระพีนผู้นั่งกระพริบตาปริบปริบอยู่ชายยันสะกิดแขนผ่านใหญ่คุณนี่ก็แปลก ตอนที่หลงป่าอยู่ด้วยกันเขาเบื่อหน้าคุณเต็มทีคุณก็ควรจะวิ่งหนีไปจากเขาเสียดโดยเร็วกลับอุตส่าห์ทนให้เขาเบื่อหน้าอยู่ได้เป็นผมวิ่งหนีทิ้งให้อยู่คนเดียวเสีิเลยอ๋อลองทรยศ ต, ต่อสัญญาจ้างวิ่งหนีสิจะได้ยิงขาหักเสียเท่านั้นฉันมีปืนอยู่ในมือด้วยในขณะที่เขาไม่มีเสียงของร่อนกล้าวกระด้างเหมือนเหมือนเช่นที่รพินเคยได้ยินได้ฟังตามปกติ แต่แววตาซึ่งมองจับยิ่งมายังเขาเป็นประกายสุขสายลึกซึ้งเกินกว่าที่พี่ชายหรือเพื่อนชายจะสังเกตเห็นหรือจับความในได้นอกจากคนที่ถูกมองเองชายยานโครงหัวบ่นอุบอิบอยู่ในลาคอน้อยนี่หรือเกินพูดอะไรไม่เกรงใจคนเลยโชคดีเหลือเกินที่ตัวเองหลงอยู่กับละพินถ้าพัดไปคนเดียวแล้วก็ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าจายไม่เคยถนอมนั้นใจคนบ้างเลยอวดดีเหลื อ, อร้าย ไม่ต้องมาทำพูดพรีชเข้าดีไปหลอกเป็นนั้นว่าคืนนี้พรานใหญ่เป็นพี่เลี้ยงคุ้มกันเธอตอนยิงเสือแน่แน่พร่างก็หันมาทางระพินบอกหน้าเฉยว่าคุณไปกับชยันนะคอยสองไฟเา้าหรือว่าช่วยล่ากเขากลับมาตอนที่เสือมันขบขอมองก็ตามแต่คุณกับฉันจับคู่กันมาหลายครั้งแล้วเปลี่ยนกันสิบ้างก็จะดีจะได้ไม่เบื่อหนะ้าระพินยิ้ ม, ย, มยิ้มไม่กล่าวเช่นใดเพื่อนชายคนที่ถูกแช่งอยู่ในทีให้เสือขบขมมองของมวดคิ้วนิ้วหน้า ชัมเลืองมองดูคนพูดอย่างเฉีวๆฉวทั้งสองจะต่อล้อต่อเถียงกันตามนิสัยอันเคยชินเช่นไรเชษฐาไม่ได้สนใจอีกพยักหน้าเรียกพรานใหญ่เข้าไปหาเรือเป็นงานเป็นการอยู่เงียบๆที่ขอนไม้ใหญ่ด้านหนึ่งระหว่างที่รอคอยพวกกะเหรียงจัดการขุดหลุมฝังศพพวกพ้องพวกของโต๊ถะอพยพ ก, กันมาจากผาเยิงเพราะถูกโขงไอแหวงรังควานหนักหัวหน้าคณะเดินทางกล่าวเคร่งครึม มองไปทางพวกกะเลียงที่กําลังขุดหลุมชุลมุนกันอยู่ผมคิดว่าโต้ถ่าจะต้องให้รายงานข่าวล่าสุดของไอ้แหวงแกเราได้ถ้าคุณลองถามแกคุณชายบอกให้โต้ถ่าทราบหรือแล้วหรือยังครับว่าคณะของเรากําลังติดตามไอ้แหว่งอยู่ผมยังไม่ได้บอกเลยเพ่อโมแต่มีเรื่องกังวลหนักเฉพาะหน้าเกี่ยวกับที่จะต้องติดตามคุณกับน้อยเป็นอันดับแรกเมื่อคืนนี้เราอาศัยพักนอนอยู่ที่บ้านของโต้ถ่าก็จริง แต่ไม่ได้พูดอะไรกันมากไปกว่าเรื่องเสือที่ข้าบอคคลของแกไปแล้วก็เรื่องที่เราจะขอแรงแกช่วยติดตามหาคุณผมเองก็พูดกับแกไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้องอาศัยเกิดกับแง่สายเป็นล่ามถ้างา น, นไปถึงหมู่บ้านแล้วผมจะลองคุยกับแกดูครับเรามีเวลาอีกทั้งคืนน้ำป่าทำให้พวกเราเสียเวลาและคลาดเคลื่อนแผนการเดิมไปหมดแต่ก็ต้องนับว่าเคราะห์ดีมากที่พวกเราสามารถตามกับ ตามการพบภายในเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงและไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรมากนักอดีตทูตทหารบกเ อ, อ่ยขึ้นช้าๆยกมือรูปปลายคางพรางหูเราะออกมาเบาๆในตาสีเหล็กแจ่มใสเต็มไปด้วยแววของชายชาติทอดจับนิ่งมายังพรานนำทางมันเป็นการประเชิญภายที่เต็มไปด้วยรสชาติเข้มข้นชนิดที่ผมไม่เคยพบมาก่อนเล่นเอาใจหายใจความตีเดียว นึกว่าแผนการเดินทางของเราจะสุดสิ้นลงอีตอนเจอน้ำป่านั่นเสร็จแล้วเดชบุญแท้แท้ป่าดำดงดิบในแถบนี้เต็มไปด้วยพยายนตรายทุกฝีย่างก้าวและทุกขนาดจิตอย่างเช่นที่คุณชายได้พบเห็นมาแล้วเป็นลำดับนี่แหละครับทั้งจากสัตว์ ร, ร้ายและจากธรรมชาติยิ่งเมื่อพนจากกลมช้างไปแล้วมันจะสักขนาดไหนก็ขออย่าให้ผมเอ่ยถึงดีกว่าสาหรับผมนั้นตระหนักในหน้าที่ สำคัญอยู่การเดียวคือปฏิบัติตามคำสั่งโดยพันธสัญญาจากลมหายใจสุดท้ายเชษฐายิ้มกว้างขวางเอื้อมมือมาตกปลายจอมพรานหนักดวงแล้วบีบกระชับผมรู้ว่าเลือดของพรานใหญ่ระพินภัยวันเข้มข้นขนาดไหนและคุณก็คงจะรู้ต่อไปในการข้างหน้าด้วยว่าเลือดของเชษฐาวราลิศก็ไม่ได้จางไปกว่าคุณเลยขอทบทวนย้ำให้คุณแน่ใจสิอีกครั้งว่าจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงแผนเดิมของเรา นอกจากความตายเท่านั้นไอ้แหว่งเป็นเป้าหมายในอันดับต่อไปของเราจากนั้นก็คือหล่มช้างและจากนั้นก็เทือกเขาพระศิวะมรกตนครเมืองรับแล่ซึ่งถ้าหากว่ามันมีอยู่จริงจนกว่าจะพบอนุชาหรือจนกว่าจะทราบข่าวโดยหลักฐานแน่นอนว่าไม่มีเขาอยู่ในโรคนี้อีกแล้วเมื่อนั้นเราถึงจะถอยหลังกลับและพินภัยวันก้มศีรษะคําคนับราชสกุลหนุม่มผู้เป็นนายจ้างอย่างคารวะนอบน้อม ผมก็ขอปฏิญาณว่าจะไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวจนกว่าคุณชายจะบรรลุผลสมเจตนานั้นเทถาส่งมือให้จับทั้งสองผระสานมือกันบีบกระชับแน่นมันเป็นการสัมผัสมือของชายต่างฐานนศักดิกส์สกุลสองคนแต่เสมอและทัดเทียมกันในเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายโต๊ะถาและบริวารจัดการฝังศพทั้งสามพร้อมทั้งประกอบพิธีตามคติของชาวเขาเป็นที่เรียบร้อยก็ตัดไม้มาทําเป็นคานหามเสือตัวนั้น สอดเข้าไปในระหว่างขาทั้ง4ที่ผูกมัดด้วยเถาวันเหนียวกเกลี่ยร่างกรมยา4ี่คนเข้าประจำคานหากหน้ารังด้านละสองหลังอย่างหลังแอเพราะน้ำหนักอันมากมายของนางสมิงร้ายตัวนั้นครั้งแล้วทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางก็สู่หมู่บ้านห้วยแม่เลิงอันตั้งอยู่บนไหล่เขาย่อมๆลูกหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือขณะนั้นนาฬิกาเข็มทิศที่ข้อมือของเชิดาชี้บอกเวลา 15.05 ูนหน ดงกำลังระบุอ้าวเหงือซึมทุกขุมขนห้วยแม่เริงตั้งอยู่บนพื้นที่ราบโล่งในระหว่างไหล่เขาใหญ่รูปหนึ่งรอบด้านล้อมไปด้วยทิวเขาใหญ่น้อยมีลำห้วยเล็กๆอันเป็นกิ่งแย่ของทางน้ำตกจากยอดเขาใหญ่ไหลผ่านชมลมของพวกกระเรียงที่เพิ่งจะอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่มีอยู่ประมาณ30หลังคาเรือนแต่ละหลังเป็นเรือนยกพื้นสูงลิฟฝาขัดแตะหลังคามุงแฝก มีกระไดหรือพ้าองค์สำหรับพาดขึ้นลงและสามารถจะชักขึ้นไปเก็บไว้บนบ้านได้ในยามกลางคืนอันเป็นธรรมเนียมของการสร้างเรือนของพวกชาวขาวที่อยู่ในดงลึกทั่วๆไปทั้งหมดมาถึงเวลาพระเพท์าำกลางเสียง่าขโมถมเถของพวกสุนัขเลี้ยงและเสียงเกลียวกล่าวของเกะลียงลูกเล็กเด็กแดงที่พากันวิ่งออกมาต้อนรับแต่แล้วพวกหมาประมาณสิบกว่าตัวเหล่านั้นก็พากันส่งเสียงร้องและวิ่งหางหดกระจายกันไปคนละทิศทาง ในทันทีที่ได้กลิ่นสาบจากซากของหนางพญากร้ายที่ถูกหักมาซากเสือใหญ่ถูกโยนลงกับพื้นกลางลานหน้าเลือนของโต๊ะถาพวกลูกบ้านทั้งหลายเข้ามามุงล้อมส่งเสียงพูดกันแซดซึ่งคณะจากกรุงเทพไม่อาจฟังรู้เรื่องนอกจากจะจับจากอากัศกิยาพวกเหล่านั้นว่าทุกคนเติดไปด้วยความตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่เห็นซากทูตมัจุราชต้นเหตุของการเอาชีวิตพวกเขาไปเสียถึงสามคน แล้วคนไปกับความเครียดแค้นและสยองกลัวในอนาคตที่ยังทายไม่ถูกโต๊ะถะขึ้นไปยืนพูดประกาศเสียงดังอยู่บนชานบ้านโดยมีบริวารทั้งหลายล้อมฟังอยู่มีเสียงพูดถามจอกแจกฟังไม่ได้สับวุ่นวายอยู่ชั่วขณะต่อมาทุกคนก็เงียบสงบฟังโต๊ะถะพูดด้วยอาการเคารพเชื่อฟังครู่หนึ่งแกก็พยักหน้าเรียกพานใหญ่เข้าไปยืนอยู่เคียงข้าง คณะนายจ้างเห็นรพินตะโกนพูดกับลูกบ้านกระเลียงเหล่านั้นอยู่เป็นครู่ใหญ่รู้สึกว่าชาวเขาอันอยู่ใต้การนําของโต๊ ะ, ะเหล่านี้ทุกคนรู้จักคุ้นเคยได้ให้ความศรัทธาเลื่อมใสเขาดีมาก่อนแล้วสีหน้าของคนเหล่านั้นแช่มชื่นมีความหวังขึ้นในขณะที่รพินพูดดารินหันไปมองดูงแง่ทายเพื่อยืนอยู่ข้างๆเหมือนจะถามหนุ่มกระเรียงแพนจรรู้ความต้องการของหล่อนพูดเท่าห้าในลำคอว่า พวกนั้นเตรียมจะย้ายถิ่นใหม่เพราะกลัวเสือแต่ผู้กองขอให้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อไปตามเดิมเพราะเห็นแล้วว่าลงแรงกันไว้มากแล้วรับจะปราบเสือให้แล้วพวกนั้นว่ายังไงชา ย, ยันถามพวกนั้นเชื่อผู้กองมากขอร้องให้คณะของเราอยู่กับเขาต่อไปอีกสักสองสมวันเราเห็นจะไม่มีเวลาแน่หัวหน้าคณะเดินทางกล่าวขัดขึ้นโดยเร็วสีหน้ากังวลมองไปที่พรานใหญ่ผู้กาลังส่งภาษาอยู่ แล้วหันมาที่แง่ทรายพานใหญ่ของเรารับคำกับเขาไว้ว่ายังไงเกิดก็รีบตอบมาให้โดยเร็วว่า